พระธรรมเทศนาแผ่นที่94ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าพระจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติดี เอาต่อนนี้ไปอยู่ในความสงบสถา น, นีนะหลวงพ่อจะมีอะไรจะพูดให้ฟังซะก่อนก่อนที่จะรับพรรับพรอรอบแรกเพราะว่าบางท่านอาจจะมีภาระธุระแต่ตามไม่จริงวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลเป็นวันหยุดาราชการเป็นวันจักกลีให้พี่น้องประชาชนมาทำบุญลํำลึก ถึงวงตระกูลต้นตระกูลวงจั ก, กรีของพวกเราวันนี้ไม่ควรจะรีบจะด่วนนะพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะอันดับแรกพระสงฆ์หลวงพ่อกล่าวอะไรเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อกับพร้อมกับพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระสงฆ์จัดอาหารฉันพัฒหารเมื่อฉันพัฒหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละช่วงนะั้นเป็นช่วงที่สําคัญ คืองานวันนี้พวกเราจะได้มาร่วมมารวมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารหอพระอหอพระพุทธโลกสำหรับอกองพันปืนใหญ่ที่13ของพวกเราพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมร่ว ม, ร, วมร่วมกันคนละมากน้อยไปว่ากันในจุดนั้นนะ เ, เมื่อพระสงฆ์สันจังหารแล้วก็จะมีเจริญพระพุทธมนต เมื่อเจริญพระพุทธ본เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการทอดผ้าป่าเมื่อทอดผ้าป่า เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนาให้พอรอีกรอบเนึง่งจากนั้นก็เป็นการเป็นเสร็จพิธีในวันนี้นะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งตามปกตินะวันนี้นะในวัดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อคงจะไม่ออกมาจากวัดวันนี้เพราะพี่น้องในวัด ศรัทธาญาติโยมมาจากจาตุรทิศมาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยวันนี้ต้องล้นหลามแน่เพราะเหตุไรเพราะว่ า, าทุกปีทุกวันที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันจั ก, กรีด้วยเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะแล้วก็หลวงพ่อวันนี้ได้ออกมาเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมถือว่าถือว่างานนี้เป็นงานที่หลวงพ่อให้ความสำคัญเพราะเหตุไรเพราะว่าจะมีการสร้างหอพระ ออพระก็คือทหารชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะอันนี้ก็คือชาติคือทหารเป็นผู้รักษาชาติแล้วก็ยังขาดศาสนายังขาดหอพระหอธรรมหลวงพ่อก็ให้ความสำคัญว่าคือหอพระเนี่ยนะแต่ถ้าหว่าทหารพวกพวกเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ถ้าหากว่าบ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นสุขพวกเราก็ อยู่แบบสบายๆแต่ถ้าว่าบ้านเมืองของเร า, เามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในประเทศชาติทหารก็ต้องหันหน้าเอาเข้ามากราบพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพุทธปฏิมาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครอง อ, ออกไปปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อว่าหอพระมีความจาเป็นสาคัญ อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะออกไปปกป้องประเทศชาติเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าหอพระมีความจำเป็นสำคัญในกรมทหารของพวกเราและก็กรมทหารกรมนี้ก็พึ่งม า, ามาอยู่ก็ไม่นานเท่าไหร่ตามที่หลวงพ่อได้สืบสอบดูแต่จะย้ายมาจากที่อื่นามาจากกรมกรมกองอื่นามาอยู่ที่นี่เพราะนั้นจึงขาด แต่ทหารอยู่ที่นี่ก็เป็นกองพัน์ก็เป็นสองสามพันถ้าหากว่าไม่มีหอพระไม่มีที่เขารบสักการะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหลวงพ่อว่าก็ยังขาดอันนึงอยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแต่เรื่องปัจจัยอาศัยอย่างอื่น เ, เราก็ทำมาหาเลี้ยงชีพ เ, เงินเดือน ของทางหารก็รู้เป็นที่รู้กันแต่ว่าถึงยังไงถึงจะมีเงินเดือนมีความสุขผลปัปจจัยภายนอกแต่ถ้าหาขาดในการยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมันก็ลักษณะว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องด้านจิตใจมันต้องไปพร้อมๆกันเพราะนั้นจึงมีหอพระถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีความไม่สบายใจในเรื่องอะไร พวกเราเขาก็มากราบพระเจ็ดเสร็จแล้วเราก็มานั่งสมาธิไหว้พระเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิในหอพระของพวกเราทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เยือกเย็นอมองเหตุมองผลเมื่อจิตใจสงบแล้วเราก็เราก็จะมองเห็นเรื่องราวเหตุผลต่างๆขึ้นมาได้หอพระเป็นหอที่สงบทางด้านจิตใจพอเรามาเห็นพระพุทธปฏิมา ตรงหน้าของเราหลวงพ่อกับพระกาบพอกาบเสร็จแล้วก็กล่าวไหว้พระอรหังสวัสดิโตสุปฏิปันโนเสร็จแล้วเราก็ประนมมือระลึกถึงบุญคุณด้วยว่าพุทธานุภาพให้คุ้มครองพวกเราแต่ก่อนที่พวกเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองพวกเราอันดับแรกพวกเราต้องเป็นคนดีก่อนนะ ถ้าเขาบอกพอเราเป็นคนไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเพราะพระพเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่คุ้มครองเหมือนกันนะท่านไม่คุ้มครองคนดีคนไม่ดีท่านจะคุ้มครองแต่คนดีเพราะนั้นพวกเราเข้ามากราบพระเราก็ต้องดูตรวจตราดูตนเองข้าพรเจ้าจะเป็นคนดีดีนั้นคืออะไรให้ตรวจตราดูพวกเราในเมื่อพวกเราตรวตราดูความดีของเราแล้วก็เราก็ ประมวลมาเออข้าพเจ้ า, าการกระทําของข้าพเจ้าไปในทางที่ดีไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยหลังแกไม่เคยเอารัดเอาเปรียบผู้ใดไม่เคยคโคดกงผู้ใดด้วยอํานาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอญนีแน่แหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะคุ้มครองพวกเราเพราะเราเป็นคนดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่อง อธรทำนี่ก็หลวงพ่อกด็ดูแบบแปลนที่แรกก็คิดว่าราคาจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ดูดูแล้วโอ้จะเน้นหนักความสวยงามไปสักหน่อยเหมือนกันนะแต่ตามไม่จริงพระพระป่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยความสวยงามเป็นอันดับที่สามการใช้งานการใช้งานของอาคารเป็นอันดับที่1ความแข็งแรงของอาคารเป็นอันดับอันดับที่สองความสวยงามหลวงพ่อใ ห, ให้เป็นอันดับ3นะ อันดับสาความสวยงามแต่ถ้าเราเน้นเรื่องความสวยงามมันจะเสียเงินมากแล้วก็ความแข็งแรงอาจจะด้อยลงไปเพราะความประดับตกแต่งสวยงามเพื่อจะให้สวยงามแล้วก็ทาให้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ่นเพื่ออ่อนซ้อยเพราะในสูตก่อนความแข็งแรงก็จะลดลงหลวงพ่อแนะนกว่าตามไม่จริงหธอรมหอพระนี่นะ ถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อจะให้เน้นหนักเรื่องพระพุทธปฏิมาเนี่ยถ้าเป็นพระได้ให้เป็นพระหินหลวงพ่อว่าดนะให้คู่กับอยู่กับผู้พันเลยผู้พันคนนี้แหละท่านผู้นี้แหละผู้พันเนีเป็นผู้ลิเริ่มขึ้นมาเนี่ยเอาอพระพุทธ ร, รูปองค์สวยๆเป็นพระหินเนี่ยพอพระพุทธ ร, รูปที่วัดของพ่อเราก็เป็นพระหินเหมือนกันนะเป็นพระหินนิมสเปนนะไอ้พวกลูกหลานไปเห็นก็คงจะเห็นพระสีดำมืด แต่ไม่จริงไม่ใช่ทาสีนะเป็นหินหินนินสเปนที่เขาแกะมาจากจังหวัดเชียงรายแต่เดี๋ยวนี้แถวเป็นหินแกรนิดแกะก็มีทงพ่อว่าเอาองค์ใหญ่ๆพอสมควรมาตั้งเอาไว้ไม่ไปไหนพอตั้งเอาไว้แล้วถ้าเป็นพระทองเนี่ยเขาโยกไปย้ายมาได้แต่นี่เป็นพระหินทำแท่นให้แข็งแรงจากนั้นก็มาวางไว้ มาตั้งไว้เป็นเครื่องเคารพสักการะบูชาแปลว่าอาคารหลังนี้กับพระหินองค์นี้คงจะเป็นของคู่กันตลอดไปเลยหลวงพ่อว่า น, น, นี้เป็นการแนะนําของหลวงพ่อนะคืออาคารหลังนี้แล้วก็เน้นหนักเรื่องการใช้งานเรื่องความมั่นคงเรื่องความสวยงามที่เป็นอันดับเป็นอันดับที่3นะใช้งานเป็นอันดับที่1เหมาะสมในการใช้งาน ความแข็งแรงเป็นอันดับที่สองความสวยงามเป็นอันดับที่สหลวงพ่อขอแนะนำบอกกล่าวให้กับคณะสัตยาญาติโยมพวกที่เกี่ยวข้องเนะ้ออันนี้หลวงพ่อพูดในฐานะพระป่าพระดงที่หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์อยู่ในป่าเพราะหลวงพ่อนี่ยทุนน้อยทำอะไรนี่ต้องเน้นความใช้งานก่อนจากนั้นก็ความแข็งแรงนะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จ้อนุโมโนาให้พรก่อนนาะทีเน้อนะ เมื่ออุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะจัดอาหารเามื่อจัดอาหารฉันพัดทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรื่องผ้าป่าจังค่อยว่ากันนะคณะาธายาจุ่มแต่ถึงยังไงต้องเสียสละนะวันนี้นะมาทาบุญนะพวกนี้นะวันนี้พวกเรามาทำบุญถึงจะรวยมันคงจะไม่รวยถึงวันนี้วันเดียวหรอกแล้วก็ถึงจะจนก็ไม่จนวันนี้วันเดียววันนี้พวกเรามาเอาบุญถ้าคนมีบุญมีบุญมีกุศล อยู่ในจิตในใจแล้วแต่ละคนมีบุญน่ยมันจะรวยเองนะลูกหลานนะถ้าคนไม่มีบุญหาอย่งไรมันก็ไม่รวยหรอกเออพราะมันเป็นพลังสองนะเนีบุญกุศลเป็นเครื่องเองกื้อกูลหนุนส่วนหนึ่งแล้วก็ความขยันของเราอีกส่วนหนึ่งแต่มีแต่ความขยันอย่างเดียวแต่ไม่มีบุญหนุนก็ไม่เต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าบุญหนุนมาแต่อดีตชาติ พร้อมกับความขยันในปัจจุบัน น, นั่นแหละความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมก็จะมาสู่จิตใจของพวกเราแต่ทางวอกพวกเราวันนี้เป็นวันเสียสละสักวันหนึ่งนะให้มาพร้อมๆกันให้มาร่วมรวมกันทอดผ้า ป, ป่าเพื่อสร้างหอธรรมสร้างหอพระพุทธปฏิมาเป็นทค่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาของหน่วยทหารของพวกเรานะหลวงพ่อเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะ มาคิดหลวงพ่อก็จะมีส่วนเหมือนกันน่มาร่วมกับคณะสถา ญ, ญาติโยมเหมือนกันนะลูกหลานนะตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่พวกเราจะถวายทานต้องชำระกายวาจาให้เรียบร้อยรักษาศีลซะก่อนจึงจะได้ผลบุญอั น, นี้สงทานจะสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากว่าพวกเราถวายทานโดยที่ไม่มีศีละล เราไม่ได้สำ่รวมกายวาจาให้เรียบร้อยซะก่อนบุญกุศลก็จะไม่เต็มไม่บริบูรณ์เพราะนั้นโบราณการผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาคนเฒ่าคนแก่โบราณการท่านจึงให้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลซะก่อนอย่าค่อยกล่าวคําถวายทานพวกเราก็ทำตามกฎประเพณีของโบราณการก็ <c oughs> พอเรามาพิจารณาให้ทีทวนแล้วก็เป็นหนทางที่ถูกต้องเพราะว่าก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ต้องดูตัวของเราก่อนให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนกับเราจะเข้าไปในชุมชนสังคมเราควรจะชําระกายแต่งตัวให้เรียบร้อยเข้าไปนี้ก็เหมือนกันก่อนที่พวกเราจะถวายทานเป็นกุศล อย่างที่พวกเรามโมาะปราถนาคือจะจะสร้างหอพระน่พวกเราก็ควรจะรักษาศีลสมาทานศีลให้เรียบร้อยก่อนเพวัะ น, นั้นจึงมีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลต่ อ, ตอ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมโพธัสัคสีเลนะเนปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาย ต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะประพรมน้าพระพุทธมนต์นะแต่จะให้พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถ า, าแล้วก็ประพรมน้าพระพุทธมนต์ก็เป็นเสร็จพิธีแล้วก็ต่อ น, นี่ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรวันนี้พวกเรา เห็นต้นภาพป่าตั้งเยอะแยะแต่มีแต่ใบเขียวกับใบแดงเป็นส่วนมากเออก็ได้ขนาดนี้ขนาวัดีแะแต่ถึงยังไงก็ตามนะท่านผู้พันนะหลวงพ่อจะขอสมทบเข้าถึงหนึ่งแสนบาทนะเออเอาหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งประเดิมไว้ก่อนหนึ่งแสนบาทถ้าได้สร้างนะถ้าไม่ได้สร้างไม่ให้นะเออถ้าไม่สร้างไม่ให้ ถ้าลงมือสร้างเมื่อไหรเ่เนี่ยค่อยไปเอากับหลวงพ่อแต่ก็ไม่คงจําคงจะไม่ใช่เพียงแสนเดียวนะแต่กระดงตูไปซะก่อนนะอันนี้ลงขันไว้ก่อนลงขันไว้ร่วมกับลูกหลานไว้ 10,000 แบาทนะแต่เมื่อวานนี่ยกระดองพ่อออกไปนู่นไปกราบคารวะหลวงปู่หลีที่พ้าแดงก็ได้ร่วมสมทบเป็นระยะระยะแต่ก็นานแล้วไม่ได้ไม ไ, ไปกราบพันธ เมื่อวานก็เลยไปกราบท่านเห็นเจดีย์ท่านโอ้ใหญ่หลวงพ่อก็เลยสมทบไป500 0 0 0เมื่อวานนีลูกหลานเอาอัตโมันาแต่ไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ไปทำงานที่ไหนหรอกปัจจัยของลูกของหลานส่ะศรัทธา ญ, ญาติโยมเอามาถวายหลวงพ่อพ่อคนละบักคนละน้อยหลวงพ่อก็เก็บเก็บไว้พอเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ถวายให้เกิดประโยชน์สร้างเจดีย์ของ ครูบาอาจารย์หลวงปู่เพื่อให้คนได้กราบไหว้เคารพสักการะนะไปเห็นเจดีย์ของท่านแล้วเขาใหญ่ใหญ่มากๆถ้าเป็นเงินยังครึ่งไหมหลวงพ่อไปดูเมื่อวานนะยังไม่ครึ่งนะ เ, เงินนะยังไม่ครึ่งแต่ท่านก็บอกว่าถามพระท่านบอกว่าหมดไป215ล้านแล้วเจดีย์ผ้าแดงนะสองล้านแต่หลวงพ่อไปยังไม่ครึ่งกบออกไป ประมาณจะรวมทั้งหมดก็ประมาณสักห้าหน่าจะจบได้เหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับมังบุญบรมีของหลวงปู่ลีนั่นแหละเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมสมทบถวายท่านมันมากสําหรับมันมากสําหรับหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อไม่ใช่รวยแต่ว่าใจใหญ่นะแล้วก็วันนี้ก็มาเห็นคณะทศไทยญาติโยมท่านผู้พันธุ์ ถึงมีอายุน้อยดูหลวงพ่อดูแล้วก็แต่ว่ามีใจมีใจคิดไกลกล้าวไกลกว้างไกลเพราะว่ากองพันธุ์ในเพิ่งย้ายออกมาไม่นานแล้วก็ยังไม่มีหอพระยังไม่มีศาลาปฏิบัติธรรมสําหรับกลุ่มทหารกลุ่มนี้กลุ่มทหารกลุ่มนี้กับกองพันุหนึ่งกองพันหนึ่งเขางจะเป็นพันนายมีพันคนพันทหารกองพันหนึ่งแล้วก็มี ครอบครัวอีกไม่ต่ำกว่าสองสา 3,000 คนในชุมชนชุมนี้ในเมื่อทหารออกไปรักษาปกป้องประเทศชาติก็คงจะใคยเข้ามากราบตั้งจิตอธิษฐานด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอนุภาพพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจ ภุมมะลุกขะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองอพวกกลุ่มทหารก็คงจะได้เข้ามากราบขอพรจากพระพุทธปฏิมาในกลมกลองของพวกเราจากนั้นก็ได้ออกไปปกป้องประเทศชาติหลวงพ่อมองเห็นจุดนี้นะหลวงพ่อจะได้ม า, าได้มาร่วมมารวมมาร่ว ม, ม, วมกับพวกกลุ่มลูกหลาน เ, าเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมาหามงคลวันหนึ่งที่ท่านผู้พัน ปอสามของเราเได้เป็นหัวหน้าและก็ขอให้พี่น้องประชาชนจัทฐาน ญ, ญาติโยมในท้องถิ่นของเราขอให้สนับสนุนจุดนี้ด้วยเนะหลวงพ่อไปนัสถานที่ใดพอจะเป็นพวกขหาบดีทั้งหลายหลวงพ่อก็จะพูดเ ก, าก่าวให้เหมือนกันนั่ น, น อ, อ, อยากจะให้มีศาลาขึ้นมา แต่ว่าพระพุทธปฏิมานั้นหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นพระพุทธปฏิมาหินก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันจะหนักแน่นออพอตั้งขึ้นมาแล้วก็คงจะไม่ไปไหนคงจะอยู่เป็นคู่กับกร ม, มกลองทางหารของพวกเรานะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสหายญาติโยมทุกหมู่ทุกเหลนะ่าเน้อที่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็ตลวงพ่อกันเน้นว่าไม่ต้องสร้าง หลังให้สวยงามเราให้แต่ว่าให้แน่นหนามั่นคงให้แน่นหนามั่นคงให้อยู่นานเท่านานถึงจะเป็นโครงเหล็กกัเป็นโครงเหล็กที่มั่นคงแต่ว่าตัวนส่วนฐานพระนี่ก็ควรให้แน่นหนามั่นคงอีกเหมือนกันนะบอกว่าวิศวะทุกวันนี้สถาบินวิศวะทุกวันนี้มีมากอยู่แล้วนะคงจะทําให้ดีที่สุดได้นะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเนตรนีเนอ